เขาเข้าถึงอากินจัญญาสมมาบัติว่าอะไรอะไรหน่อยหนึ่งไม่ได้มีเนี่นยนั้นเป็นชื่อของอากินจัญญายตนาสมมาบัติว่าถามว่าเพราะเหตุไรอากินจัญญายตนาสมมาบัติจึงชื่อว่าอะไรอะไรหน่อยหนึ่งไม่ได้มีก็คือตอบว่าบุคคลเป็นผู้มีสติเข้า ว, วิญญาณัญจายตนาสมมาบัติออกจากสมมาบัตินั้นแล้วไม่ยังวิญญาณ น, นั้นแหละให้เจริญให้แจ่มให้แจ้ง ให้หายไปย่อมเห็นว่าอะไรอะไรหน่อยหนึ่งย่อมไม่มีเพราะเหตุนั้นอากินจันญาเยตนาสมาบัติจึงชื่อว่าอะไรอะไรหน่อยหนึ่งไม่ได้มีไอคําว่าอะไรอะไรหน่อยหนึ่งไม่มีนี่หมายถึงว่าจิตเจตสิกไม่มีคนที่เข้ากามรูปรูปฌานได้เนี่ยนะออกจากรูปฌานแล้วก็เพิกกสินแล้วก็สายใจในอากาศแล้วก็มีอากาศนั่นแหละเป็นอารมณ์ก็ทําให้เข้าฌานได้อย่างไงเรียกว่า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 คำว่าบุคคลเช่นนั้นควรแนะนำอย่างไรเนี่ยใครคนที่ได้อากินจัญญายตนาสมาบัติแล้วสอนเข้าต่อไปยังไงความว่าบุคคลนั้นควรแนะนำควรนำไปให้วิเศษควรนำไปให้ยิ่งควรให้รู้ทั่วควรให้พินิษควรให้พิจารณาควรให้เลื่อมสายอย่างไรและยานที่ยิ่งไปนั้นอันบุคคลพึงให้เกิดขึ้นได้อย่างไรเนี่ยจะแนะนาคนนั้นให้ยิ่งขึ้นไปอย่างไร บุคคลเช่นนั้นก็คือผู้ได้อากินจัญญายตนะสมาบัตินั้นสรุปคําถามว่าข้าแต่พระส ก, กะุลข้าพระองค์ขอทูลถามถึงญาณของบุคคลผู้มีรูปสัญญาอันผ่านไปแล้วละกายทั้งหมดแล้วเห็นอยู่ทั้งภายในและภายนอกว่าอะไรอะไรหน่อยหนึ่งไม่ได้มีบุคคลนั้นควรแนะนําอย่างไรนะเรียกว่าผ่านรูปประชานทั้งหมดละรูปประกายได้ทั้งหมดเนี่ยนะเข้าอากินจัญญ า, ายตนะสมาบัติได้สอนเขาอย่างไร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 ปฏิสนธิทั้งหมดในทุกขนทุกแห่งพระองค์รู้หมดแหละดังั้นอธิบายว่าคําว่าวิญญาณทิติทั้งหมดพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงทราบวิญญาณทิติสด้วยสามารถอภิสังขารย่อมทรงทราบวิญญาณทิติเจด้วยสามารถปฏิสนธิคือวิญญาณทิติเนี่ยนะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่เป็นกรรมกับกลุ่มที่เป็นวิบากกลุ่มที่เป็นกรรมเนี่ยมีสประการเรียกวิญญาณทิติสส่วนกลุ่มที่เป็นวิบากหรือปฏิสนธิเนี่ยนะ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 ย่อมตั้งอยู่ย่อมถึงความเจริญงอกงามไพบรูร์ก็คือกรรมวิญญาณนะนะเวลาเกิดขึ้นทํากรรมก็มีรูปเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นอารมณ์นะี่ก็คือมีรูปเวทนาสัญญาสังขารสี่อย่างเนะี่ยเป็นอารมณ์อันนี้เรียกว่ า, ากรรมวิญญาณเพราะพระองค์เนี่ยซ่องรู้รู้กรรมวิญญาณนะวิญญา ณ, นนญญาณที่ที่ตั้งอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอ รูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยนะมีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่ตั้งมีสังขารเป็นที่อาศัยมีมีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องส่องเสพตั้งอยู่ย่อมถึงความเจริญงอกงามไพฑูลย์พูดง่ายๆก็ตรงไหนบ้างเราไม่เข้าไปทํากรรมอ่ะนะนั่นแหละเป็นที่ตั้งแห่งกรรมวิญญาณทั้งหมดถ้าว่าโดยชาวนาทั่วๆไปนะรับรู้ที่ไหนตรงนั้นเป็นกรรมวิญญาณไอ้ตัวรับรู้นะไอ้ตัวรู้อ่ะตัวที่เข้าไปรู้เป็นกรรมวิญญาณทั้งหมดเลยนะเว้นจิตชาติด้วยบากธรรมดาทั่วๆไปเนี่ย เงาง่ายๆว่าอะไรม้างเราไม่เข้าไปทํากรรมเอาไว้ในเนี่ยในรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยนะโดยเฉพาะกรรมวิญญาณเนี่ยไปนึกเอาเรื่องไหนมาคิดเนี่ะเรื่องนั้นแหละเป็นอารมณ์ของกรรมวิญญาณแลยย้วเนี่ยนะขณะนั้นก็เป็นกรรมวิญญาณแลยย้วทีนี้เมื่อทํากรรมในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะตัดตันหาไม่ได้ผลก็คืออะไรผลก็คือวิญญาณที่ติเจ็ดที่เป็นปฏิสนธิ พันพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงทราบวิญญาณทิติเจ็อย่างด้วยสา ม, มารถแห่งปฏิสนธิเนี่ยเป็นอย่างไรดูก่อนพิสูจนทั้งหลายสัตว์เราหนึ่งมีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันเช่นพวกมนุษย์พวกเทวดาบางพวกวินิบาตบางหมู่นี่เรียกว่าวิญญาณทิติข้อที่หนึ่งนะกายต่างกันปฏิสนธิจิตก็ต่างกันเช่นมนุษย์เนืร่างกายนี้ไม่มีใครเหมือนกันสักคนเลยถึงเหมือนในสีหน้าเป็นต้นแต่ก็กิริยาการลุกการยืนเป็นต้นก็ไม่เหมือนกัน ล้ปฏิสนธิก็ต่างกันนะนะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยปฏิสนธิด้วยมหาวิบาก8หรือเหตุกะกุศลวิบากปฏิสนธิอีกหนึ่งอย่างงี้ยนะก็ปฏิสนธิเกมนุษย์เนี่ยปฏิสนธิจิตก็ต่างกันรูปร่างกายก็ต่างกันเทวดากามมาวจรก็เหมือนกันนะรูปก็ต่างกันปฏิสนธิจิตก็ต่างกันวินิบาตคือเปรตนะบางพวกเนี่ยนะเป็นติเหตุกะปฏิสนธิกลุ่มเปรตนะครับวินิบาตบางพวกเนี่ย พวกที่เป็นติเหตุกกะปฏิสนธิก็มีพวกติเหตุกะปฏิสนธิเนี่ยบรรลุได้เนี่ยนะอย่างที่สองมีกายต่างกันมีสัญญาอย่างเดียวกันก็เช่นพวกพรหมปฐมชาญภูมิเนี่ยนะร่างกายของพรหมปฐมชาญภูมิจะเหมือนกันเนี่ยนะเอะเอขอไปพรหมในชั้นกาณาปฐมชาญเนี่ยนะร่างกายเนี่ยต่างกัน แต่ปฏิสนธิจิตเหมือนกันเครียกว่าผู้ที่ได้ปฐมมชา น, นแบ่งเป็นสามกลุ่มอย่างเลวอย่างกลางและอย่างประณีตอย่างเลวก็สักแต่ว่าได้อะพวกนี้สักแต่ว่าได้พวกนี้จะเป็นพรหมปริสัชชาพวกที่ชํานาญในปฐมมชานระดับหนึ่งะนะสามารถรักษาปฐมมชานทรงอยู่ในปฐมมชานได้พวกนี้เป็นพรหมปุโรหิตาส่วนพวกที่ได้ปฐมมชานจนชํานาญมุ่งจะได้ทุติยาชานนะแต่ยังทํา ธุติยาชานไม่ได้พวกนี้เด็กไปเกิดก็เป็นมหาพรหมเพราะฉะนั้นพวกพรหมพวกนี้มีกายต่างกันแต่ปฏิสนธิจิตเหมือนกันเนี่ยนะพราะด้วยปฐมมชานเหมือนกันส่วนอย่างที่สามเนี่ยนะสัตว์เหล่านึ่งมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาต่างกันเช่นพรหมชั้นอาภัสระเนี่ยนะพรหมชั้นทุติยะชานเนี่ยกายก็มีรัศมีส่านออกจากตัวเหมือนกันแต่ว่าบางพวกก็ยังบางพวก ยังมีวิจารณบางพวกไม่มีวิจารเนี่ยนะส่วนอย่างที่4มีกายอย่างเดียวกันสัญญาอย่างเดียวกันก็พวกสุภกินหานะพรหมจตุทชานเนี่ยพวกนี้ร่างกายกับปฏิสนธิจิตเหมือนกันส่วนวิญญาณทิติ 4, ข้อที่5ก็คือพวกล่วงรูปประสัญญาดับปฏิฆาสัญญาไม่มนัสิการนานตัตตาสัญญาโดยประการทั้งปวงเข้าอา ก, กาสานัญจายตนะ ฌานด้วยมนสิการว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้พันวิญญาณทิติข้อที่หก็คืออากาสารนันจายตนะวิญญาณทิติข้อที่6ก็คือวิญญาณนันจายตนะว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายสัตว์เราหนึ่งล่วงอากาสารนันจายตนะโดยประการทั้งปวงเข้าถึงวิญญาณนันจายตนะฌานด้วยมณสิการว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้นี้เป็นวิญญาณทิติที่6กอันพวกวิญญาณทิติที่หกในพวกนี้เป็นประเภทอ่า วิญญาณัญจายตนะส่วนที่7ก็คืออากินจัญญายตนะสมาบัติเนี่ยนะอากินจัญญายตนะพบอะว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเราสัตว์เราหนึ่งเนี่ยล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงเข้าอากินจัญญายตนะฌานด้วยมนณสิการว่าอะไรอะไรหน่อยหนึ่งไม่ได้มีนี้เป็นวิญญาณทิฏฐิข้อที่7 ที่แเนี่ยนะไม่เรียกว่าวิญญาณทิติเพราะว่าเนวะสัญญาเนี่ยจะว่ามีจิตก็ไม่ใช่ไม่มีจิตก็ไม่ใช่อสัญญสัตตก็ตัดออกไปเพราะไม่มีปฏิสนธิจิตเพราะฉะนั้นปฏิสนธิจิตข้อแรกก็คือมีกายต่างกันปฏิสนธิจิตต่างกันอย่างที่สองกายต่างแต่ปฏิสนธิจิตเหมือนกันอย่างที่สามก็กายอย่างเดียวกันปฏิสนธิจิตต่างกันอย่างที่สี่ก็กายอย่างเดียวกันปฏิสนธิจิตอย่างเดียวกัน ข้อที่หก็ อ, อาการสารนัญจายตนะข้อ6วิญญาณนัญจายตนะข้อ7ก็ อ, อากินจัญญายตนะคําว่าอาภิชานังเนี่ยที่บอกว่าพระตถาคตเนี่ยรู้ยิ่งรู้แจ้งแทงตลอดอ น, นะส่วนคําว่าตถาคตตาถาคตเนี่ยนะโดยศัพท์ก็หมายถึงว่าที่พระองค์ตรัสไปว่าดูก่อนจุนทะถ้าแม้เรื่องที่ล่วงแล้วไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์เรื่องนั้นตาถาคตก็ไม่พยากรณ์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 ตามสูตรคือพระไตรปิฎกเนี่ยถามละราคะได้ไหมละโทสะได้ไหมละโมหะได้ไหมถ้าปฏิบัติได้ตามกะเบียดนิ้วตามนั้นหมดเนี่ยนะละได้อยู่แล้วเนี่ยนะละได้อยู่แล้วนี่คือความแน่นอนของคําสอนเพราะคําสอนที่ที่ถือว่าอัศจรรย์ที่สุดคือคอําสอนที่สามารถกําจัดราคะกําจัดโทสะและกําจัดโมหะได้เรียกว่าคําจรคําสอนที่อัศจรรย์ที่สุดแต่ถ้าคําสอนใดถ้าเป็นไปเพื่อราคะโทสะโมหะนะคำสอนอนั้นไม่เลยอัศจรรย์อะไร ไม่ใช่ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้า